ต่อเ น, นี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีตั้งใจให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นสำรวมเข้ามาภายในกำหนดรู้อยู่ที่รู้ คนเราทั้งคนก็มีจิดตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแกนส่วนร่างกายนั้นประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมมันไม่เทียงไม่อย่างยืนฉันใดร่างกายก็ไม่เทียงเหมือนอย่างนั้นวันนี้เรามาฝึก จิตดวงนี้ให้มันเที่ยงให้มันหนักแน่นสอนจิตดวงนี้ไม่ให้มันยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันถึงจะพ้นจากร่างกายอันนี้ถึงจะไม่ต้องมา เกิดอาศัยร่างอันนี้ต่อไปอีกถ้าไม่ฝึกไปแล้วก็ไม่พ้นสักทีเลยเนี่ยเราต้องฝึกไปเรื่อยๆผู้ใดรู้ตัวแล้วว่าตนเคยอาศัยร่างอันนี้มานับชาติไม่ทวนแล้วที่หลวงแล้วมา แต่มันก็ยังไม่มีดีอะไรกูเก่าเกิดมาชาตินี้ก็ามาสเสวยสุขสเสวยทุกข์อยู่อย่างนี้นะจิตตรงนี้นะคิดดูให้ดีแล้วเราได้อะไรจากร่างกายอันนี้มาใู่ในร่างกายอันนี้ เราได้อะไรจากร่างกายอันนี้ต้องพ้นกว้าหาเมื่อเราพ้นไปแล้วก็จะรู้จะเห็นได้ว่าเมื่อมาอาศัยร่างกายอันนี้และไม่ผลกตอนปล่อยให้โมหะ ความหลงเข้าครอบงำจิตใจนันก็ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ทุกข์เท่านั้นเองเพราะว่าบุคคลผู้ปล่อยให้จิตใจลงมัวมอมไม่รู้จริงแล้วก็ก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ คนเราเมื่อไม่สร้างบุญกุศลมันก็ไปสร้างบาปไอ จ, จิตนี่มันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อได้มาใสา่ร่างอันนี้แล้วเพราะเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่ว ก็คือความโลภความโกรธความหลงมันมีเหตุปัจจัยอยู่อย่างนี้ให้เข้าใจเหตุปัจจัยที่จะให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลชอบบุญชอบกุศลก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเมื่อจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็เป็นจิตรู้จิตฉลาด จิตไม่ยึดถือร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนจิตโลกคำว่าในที่นี้หมายความว่าโลกส่วนภายในโลกในสิ่งภายนอกโลกภายในก็คืออยากให้ร่างกายนี้มันเที่ยงยัางยืน อยากให้มันสวยสุดกับงดงามอยู่เหมือนเดิมขวนขวายหาอะไรต่ออะไรมาเรียงมันมาบำรุงมันจะทำบาปก็ไม่ว่ายอมรับบาปเพราะห่วงเห็นร่างกายอันนี้อยากให้ร่างกายอันนี้อยู่ยั่งยืนนานความหลงความเข้าใจผิดของขิดใจเป็นอย่างนี้แหละ แล้ ว, วันนี้ผู้ที่ใช้กายวาจาทำบาปต่างๆนั้นก็คือดวงขิดแล้วเมื่อกายวาจาทำชั่วพูดชั่วเข้าไปแล้วผู้ได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นก็คือดวงขีดนั่นแหละดวงขิดนี่แหละเป็นผู้รับ ผลแห่งบาปกรรมได้รับทุกทนทรมานอยู่ในนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างบันดนี้ผู้ที่ทำความดีผู้ที่ไม่โลภ ใ, ใ, ใ, ใช้ให้กายกวนไายในทานการกุศลต่างๆใช้ให้กายกราบไหว้ ซึ่งพระคุณอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่และใช้ให้กายนี่ทำความดีต่างๆใช้ให้วาจานีพูดดีพูดแต่คำจริงไม่พูดสอเสียดให้คนอื่นทะเลาะวิวาดกันไม่พูดคำหยาบด่าแช่งซึ่งกันและกัน ไม่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก่อนจะพูดอะไรต้องพิจารณาก่อนว่ามันเป็นประโยชน์ถึงค่อยพูดไปถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วไม่พูดนี่เมื่อเมื่อจิตเป็นกุศลนะกระช้ยกายทำแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น ใช่วาจาพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นบันทึผลผู้ที่จะรับผลแห่งบุญปุสสนอันนั้นก็คือดวงขิตเมื่อทำความดีให้เกิดมีขึ้นขิตใจก็เบิกบานผ่องใสเย่งถ้าเป็นนักบวชแล้วก็หากไม่ประมาทแล้ว ยิ่งได้บุญหลายเพราะนักวด น, นี่ไม่ได้มัวหมองด้วยการด้วยการทำมาหาเรี่ยงชีพเรียก ว, ว่ามีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านผู้มีศรัทธาทั้งหลายสุดแล้วจะใครให้อะไรก็บริโภคไปอย่างนั้น เอด็ดนั่นนักบวชเนี่ยถึงไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพควรพากันภาคภูมิใจตนได้หลุดจากป่วงแห่งมานคือความชั่วร้ายต่างๆมาแล้วมาถือผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอระหันต นี่แล้วคนภาคภูมิใจถึงแม้ว่า ก, กิเลส จ, จะยังไม่หมดก็ตามเราทำความภาคภูมิใจในการบรรพชาอุปสมบทอันนี้เป็นทุนไว้ก่อนต่อจากนั้นจึงค่อยผ่อนทำความเพียรละมันไปเรื่อย เมื่อเราไม่ชอบหมายความว่าเมื่อดวงจิตนี้ไม่ชอบกับกิเลสแล้วกิเลสมันก็มากขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตนี้เป็นผู้สร้างกิเลสขึ้นมาไม่ใช่ใครมาสร้างให้เมื่อจิตไม่สร้างแล้วกิเลสก็ไม่เกิดคิดให้มันเห็นอย่างนี้มันจึงง่ายเข้าเรามาควบคุม อ, อจิตดวงเดียวนี่ซะ เมื่อควบคุมจิตตรงนี้ได้แล้วกิเลสมันก็ไม่เกิดอ่ามันเป็นยังไงก็เมื่อกิเลสมันไม่เกิดแล้วจิตใจก็เยือกเย็ยนสบายจิตใจก็เป็นอุเบกขาเสมอเสมอไปไม่ยินดีกับโลกเขาสมมุติว่าดีว่างามไม่ยินร้าย กับโลกที่เขาสมมติว่าชั่วร้ายเรียกว่าจิตนี้เมื่อฝึกให้ดีแล้วย่อมไม่วันไหวไปตามกระแสของโลกความยินดีความยินร้ายความเสียใจต่างนั้นเป็นกระแสของโลกโลกคือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายนั้นย่อมมีจิตวันไหวอยู่ด้วยอารมณ์เหล่านี้ ให้พิจารณาดูให้ดีแต่นั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นครือหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็สามารถฝึกจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้แม้ไม่มากก็น้อยตั้งมั่นไม่วันไหวไปตามกระแสของโลกดังกล่าวมาแล้วนั้น ดังนั้นให้พากันรู้จักจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่รู้จักจุดประสงค์อย่างนี้แล้วก็ทำใจไม่เป็นนะอืมนั่นแหละเมื่อรู้จักจุดประสงค์อย่างว่านี้แล้วมันก็มาเพ่งรู้อยู่ภายในควบคุมความรู้สึกอันนี้ให้มันเป็นปกติอยู่ ให้มันหนักแน่นไม่วันไหวกับเรื่องดีเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเท่าอืถ้าฝึกความรู้สึกคือดวงจิตดวงนี้ได้แล้วก็ได้หมดเลยอจิตไม่วันไหวแค่อย่างเดียวแล้วมันก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นอืม ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยไม่มีสิ่งใดที่ตนจะบังคับบรญชาได้ตามประสงค์ไม่มีลายจิตตั้งมั่นแล้วก็รู้เห็นความจริงของสิ่งทั้งพวงที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับไปไม่มีลาย สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีแต่พระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วมีเกิดมีดับหมดเลยผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงเบื่อหน่ายการที่จะมายึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าหรือรูปธรรมนามธรรมอันนี้อยู่ มันก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเพราะของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เทีย่ยมมันก็แปรปรวนกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้อยู่เสมอเสมอไปอืมเจ็บไข้ได้ป่วยลงร่างกายมันวิบัติไม่ปกติมันก็ไปกระทบกับจิตนี้อืมจิตนี่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอืมเมื่อจิต ถึงจะรู้เท่าก็ตามไม่รู้เท่าก็ตามมันก็รู้ว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละก็เนื่องจากว่าไอความสุขนั้นมันหมายถึงความสงบนิ่งๆความสุขทแท้จริงนะนี่แหละความสุขชั่วคราวนั้นมันก็นิ่งเหมือนกันในขณะที่มันมีความสุขน่นนะแต่แล้วมันไม่ยั่งยงืน เมื่อมีสิ่งอื่นกระทบกระทั่งมาเนะียมันก็หายไปความสุขเหล่านั้นนะอย่างั้นแต่ความสุขที่แท้จริงสุขเกิดจากความสงบจิตขุสุขเกิดจากการละความยึดถือสิ่งต่างๆในโลกนี้ดังกล่าวมาแล้วนั้นนะเมื่อดวงจิตดวงนี้ไม่ยึดถืออะไรแล้วมันก็ตั้งมั่นอยู่โดยลำพัง ก็รู้ตัวเองอยู่ว่าไม่ยึดถืออะไรในโลกนี้ก็รู้ตัวเองอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นี่เรียกว่านิรามิตสุขแปลว่าสุขปราศจากอามิ t แปลว่าสุขปราศจากการอิงอาศัยวัตถุ ต่างๆในโลกนี้หมายความว่าจิตไม่ได้อาศัยสภาวะทำสภาวะธาตุต่างๆในโลกนี้จิตนั้นตั้งมั่นอยู่โดยลำพังมีปัญญารอบตัวอะไรกระทบกระทั่งมาก็รู้อะไรบางเกิดขึ้นก็รู้ รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปแต่ว่าความเกิดความดับแห่งสังขานทั้งหลายนี่นะบางสิ่งบางอย่างมันก็ปรากฏชัดรวดเร็วแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ปรากฏชัดมันค่อยเสื่อมค่อยวิบัติไปทีละน้อยละน้อยไป เช่นร่างกายอย่างนี้แหละเมื่อเวลายังหนุ่มยังสาวก็ไม่ปรากฏว่าร่างกายนี่มันวิบัตรแริแปรปวนแต่ที่จริงถ้ามันก็วิบัตรแริแปรปวนอยู่นั่นแหละแต่มันค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าบุญกุศลหนหลังโ น, นนะยังทนุบำรุงอยู่ แล้วก็อาหารการบริโภคในปัจจุบันหล่อเลี้ยงไว้ร่างกายอันนี้จึงปรากฏว่ามันไม่สุดซอมดังนั้นพวกหนุ่มสาวทั้งหลายจึงสนุกพเพลินกันเต้นสามศอกออกสามวาร้องรำทำเพลงดีซีทีเป่า เขาถือว่าเป็นความสนุกสนานความสุขสบายของหนุ่มสาวก็เนื่องจากมาแต่ร่างกายมันสมบูรณ์โรคภัยยังไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับนี้เองเนี่ยเมื่อจิตติมันไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงแล้ว มันจึงได้หลงจึงได้เพลินเมาไปอยู่เช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีเป็นเด็กก็าตามนั่งสมาธิแล้วเพ่งจิตคือความรู้สึกนี้ให้สงบตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้แล้ว มันจะมองเห็นร่างกายอันนี้เปลี่ยนแปลงไปอยู่นั้นไม่ใช่มันยั่งยืนอะไรที่มันพอประทังอยู่ได้ก็เพราะเรามีอาหารหล่อเลี้ยงไว้เท่านั้นเองร่างกายอันนี้ถ้าปราะศะจากอาหารแล้วร่างอันนี้ธาตุอันนี้มันก็แปรปรวนไปชำรุดสุดโทมไป จะเป็นเด็กเป็นเล็กก็ตามเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามจะเป็นวัยกลางคนก็ตามจะเป็นวัยแก่วัยชราก็ตามอยู่ได้ด้วยอาหารคือข้าวและน้ำถ้าจะจะพูดให้หมดกระบวนมันก็เรียกว่าจตารโรมหาภูตา แปลว่าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในอาหารสี่กรวริงกรวราหารอาหารคือคําข้าวและน้ำพัดสาหารอาหารคือความสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าไม่ไม่ไม ไม่รู้สึกสัมผัสแล้วมันก็ใกล้ต่อตายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังรู้สึกสัมผัสดีอยู่นี่มันก็ยังไม่ตายสัญเจตนาอาหารอาหารคือความคิดความคิดของคิดนี่ก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งเหมือนอย่างอาหารห่อเลี้ยงร่างกายนั่นแหละ ถ้าไปรับประทานอาหารที่มันแสรงกับธาตุเข้าไปธาตุร่างกายอันนี้ก็แปรปูนเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้ารับประทานอาหารที่ไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษต่อร่างกายร่างกายอันนี้ก็สุขสบายดีเป็นปกติมีกำลังวางชาดี ฉันใดจิตก็เป็นเช่นนั้นถ้าคิดดีคิดเป็นบุญเป็นกุศลคิดให้ถูกทางแห่งคำสอนของพระเจ้าที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหนึ่งคือว่าคิดดูเห็นร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยทุก์ตั้งแต่เกิดมาน่นเ่อ จนถึงเข้าสู่วัยเด็กวัยหนุ่ม ว, วัยสาววัยกลางคนนะถึงวัยแก่ชราเหล่านี้มันก็รูวนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละมันยักกายผันแปรอยู่เสมอดังนั้นดวงจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้นะ จะเป็นวัยไหนก็ตามถ้าหากว่าผู้ทำใจสงบแล้วเพ่งพิจนาดูแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยจนหนุ่มเป็นสาวก็ลองอดอาหารลองดูสิอย่าเอาอาหารหล่อเลี้ยงมันเลยร่างกายอันนี้นะสักวันสองวันนะ่ะเราจะได้เห็นว่าร่างกายนี่มันชุดโทมลงไปแล้วก็เห็นได้ว่าโอ้ร่างกายนี่ มันเป็นอยู่ด้วยอาหารแท้ๆเร่องนี้นความคิดทางจิตใจเมื่อมันเป็นบุญเป็นกุศลมันก็มีความสุขใจเช่นนั้นแหละถึงว่าความคิดดีเป็นอาหารอันอร่อยของจิตใจแล้ววิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณทางตาทางหู ทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณความรู้เหล่านี้ก็เป็นอาหารของชีวิตถ้าวิญญาณเหล่านี้ดับก็หมายถึงตายเท่านั้นเองนั่นแหละให้คิดดูให้ดหีชีวิตของมนุษย์อะสัต ท, ทั้งหลายเนื่องอยู่ด้วยอาหารสี่ดังกล่าวมานี้ ดังนั้นลองวิจารณาดูอาหารสี่ประเภทเนี่ยก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทางนั้นเลยข้าวน้ําก็ไม่เที่ยง อ, อสัมผัสความถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่เที่ยงออสังเกตดูให้ดีหน่อยหนึ่งก็สัมผัสความร้อน อ, อ้าหน่อยหนึ่งก็สัมผัสกับความหนาว น้อยก็สัมผัสกับความเจ็บความปวดน้อยก็สัมผัสกับความสบายเย็นสบายไม่มีสัมผัสอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนอยู่ได้ในร่างกายจิตใจอันนี้อไอ้ความคิดก็เหมือนกันความคิดจะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตาม คิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปดับไปแต่ว่าผลมันถ้าแตกต่างกันเท่านั้นเองถ้าคิดชั่วนั่นจิตใจมัวหมองเป็นทุกข์มากถ้าคิดดีคิดบิณฑบาตกุศลจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานแต่ความคิดได้มันก็ดับไปเหมือนกันไม่ใช่มันยั่งยืนอ้าวถ้าเช่นนั้นบุญกุศลมันจะมีเหลือเลยในจิตหรือ ถ้าคิดเป็นบุญกุศลขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปมีเหลืออยู่ความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นมันเป็นอุบายชำละกิเลสอันหุ้มห่ออยู่ในจิตใจนี้ออกไปนั่นแหละเมื่อมันทำหน้าที่ของมัน กำจัดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปแล้วมันก็ดับไปความคิดอันนั้นนะแต่ที่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นตัวกุศลอ่าเป็นตัวบุญตัวกุศลให้เข้าใจดังนั้นผูใ้ใดเข้าใจถูกอย่างนี้แล้วก็จะไม่ดือดร้อนกับความคิดความนึกอันนั้นเลย ถึงแม้ความคิดนะมันจะดับไปแต่ความรู้มันยังอยู่อืความรู้อันเป็นธาตเป็นบุญเป็นกุศลก็ยังอยู่นี่นะแต่ว่าความคิดชั่วนั้นนะหากว่าใจมีปัญญาฉลาดแต็มเผลอคิดชั่วไปพอรู้ตัวแล้วก็กําหนดละมันเลย เมื่อกําหนดละมันไม่คิดมันส่งเสริมมันมันก็ดับไปมเมื่อความชั่วนั้นที่เป็นบาปอากุศลดับไปความรู้สึกคือดวงขีดนี่มันก็เป็นปกติอยู่ได้ ม, มันก็ไม่เศร้อมองไม่ขุนมัวไม่เดือดร้อนอะไรนี่นะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เพียรพยายามละบาป ให้เพียรพยายามบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีในตนให้พึงเข้าใจอย่างนี้ไอ้กิเลสบาปธรรมนเหมือนกับเชื้อโรคอยู่ในกายพอได้หมอกรวดดูพบสมุธฐานของโรคแล้วหมอก็ปรุงยามาแนะนำให้คนไข้รับประทาน คนไข้รับประทานลงไปแล้วถ้ายานะีมันเหมาะกับโรคนั้นมันสามารถกำจัดโรคให้ถอนตัวออกไปจากร่างกายนี้ได้พอโรคนี้ถอนตัวออกไปจากร่างกายนี้แล้วไอายาเนะี่ยมันก็หมดฤทธิ์ไปในตัวมันก็หายไปแล้วผลที่ได้รับคืออะไรผลที่ได้รับก็คือร่างกายกระทุ่มกระซวย หายโรคหายภัยข้องแค่วไปไหนมาไหนก็ดีกินก็ได้นอนก็รับนี่เรียกว่าไอ้ผลแห่งการหายจากโรคของร่างกายชั้นใดผลแห่งการที่จิตใจมานละกิเลสออกจากหัวใจ ด้วยการสั่งสมบุญกุศลเอาบุญนี้เป็นตัวยาสำหรับกำจัดราคะโทสะโมหะอนันมันหมักดองอยู่ในใจนี้ออกไปเมื่อกิเลสเหล่านี้มันเบาบางออกไปจากจิตเท่าไรจิตนี้ก็ปลอดคงก็สบายก็ไม่มีกังวลไปในอดีตอนาคตอะไรเลย นี่แหละขึ้นชื่อว่าบุญกุศลแล้วมันก็เหมือนกับตัวยาอย่างเง น, น้ยอันนี้แต่มันเป็นยารักษาโรคกิจเมื่อกิเลสมันสงบเบาบางลงไปหรือว่ากิเลสมันหมดไปไอ้บุญกุศลมันก็มันก็ดับไปตามกันมันก็เหลือแต่จิตอันบริสุทธ เท่านั้นเองความมุ่งหมายของการปฏิบัติทำในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจิตใจแล้วบุญกุศลนั่นมันจะทำหน้าที่กำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ออกไปจากจิตใจโดยตรงมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปอ้อนวอนบังคับให้บุญกุศล อันนั้นกำจัดกิเลสออกจากจิตใจให้หมดไปสิ้นไปไม่ต้องอ้อนวอนเมื่อสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วบุญกุศลมาทำหน้าที่ของมันเหมือนกับบุคคลป่วยแล้วรับประทานยาเข้าไปถึงกระเพาะลำไส้แล้วไม่ต้องไปอ้อนวอนให้ยานั้นนะ ไปกำจัดโรคในร่างกายแต่อย่างใดยามันทำหน้าที่ของมันเองโรคมีอยู่ตรงไหนยามันก็ไปกำจัดโรคที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายนั้นออกไปก็ชัดนั่นแหละขอให้เข้าใจดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็สมควรที่จะจดจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามก็จะประสบความถุกอันเป็นแก่นสาร